ผ่าจ่าไปสารได้พูดธรรมสั้นๆข่อนอาหารเช้าเรื่องถามก่อนตัดสินเรื่องนี้ก็โดนใจคนหลายคนเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งเมาโรงเสียสายและโดยครูตีทุกวันครูตีโดยไม่ถามหาสาเหตุพอมารู้ทีหลังก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเรื่องนี้จะคล้ายๆกับวีดีโอคลิป ที่อารบบะเคยดูดูมานานแล้วเรื่องนี้เกิดที่ประเทศอินเดียมีนักเรียนมาสายเขาถูกครูตีครูตีแบบเสียงดังสถานห้องก็ตีทุกวันเหมือนกันอยู่บ้างวันหนึง่งคูเข้าไปในเมืองตอนเช้าพระเอิรนเนี่ยไปเห็นเด็กชายคนนี้ กำลังขี่จักรยานส่งหนังสือพิมพ์ไปตามบ้านต่างๆทั่วเมืองครูก็แอบตามไปดูจึงรู้ความจริงและเกิดสงสารเด็กชายคนนี้ที่ตนเองตีทุกวันคันถึงโรงเรียนเด็กชายก็รู้ว่าต้องโดยครูตีอีกแล้วแต่ผิดาคาดครูเห็นหน้าลูกศิษย์ก็สวมกอด น้ำตาครูก็ไหลลูกศิษย์ก็น้ำตาไหลเรื่องนี้ไปที people, won, yeah, ่ซาบซึ rage, ้งของผู้ชมมากแต่มาชมแล้วประทับใจยังแชร์มาที่ a ฟ e b o o k ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมต่อเลยเหตุการณ์แบบนี้จะคล้ายกับชีวิตของสังคมปัจจุบันคือผู้คนเนี่ยถูกคนเข้าใจผิดมากมายและผู้เข้าใจผิดก็ไม่ถามไม่กล้าถามเพราะอะไรถึงทำแบบนั้นพวกโยม ในที่นี้มีใครเคยอ่านหนังสือสารคันของสามถลึงบ้างถ้ามียกมือขึ้นอา้าวไม่มีใครยกมือเลยสแสดงว่าไม่ได้อ่านกันหนังสือสารคันจะรวบรวมธรรมะต่างๆนำเสนอในวิธีแบบสบายๆแฝงมุกตลกสามถลึงเนี่ยเป็นนามแฝงของพระอาจารย์ไปศาล นาก็ชอบหลายเรื่องวันนี้ก็ตั้งใจจะนำมาเล่าให้โยมฟังอลองเข้ามาฟังดูสมฤกป่วยหนักนะอาการสุดลงเรื่อยๆจาตพี่น้องเห็นว่าชีวิตเนี่ยคงจะอยู่ได้ไม่นานต้องตายแน่นอนจึงรีบไปตามหลวงพ่อมาแสางทํามให้สมฤกฟังโดยหวังว่าสมฤกจะได้ไปสุกติได้ หลวงพ่อท่านก็มีเมตตาสูงมากคันมาถึงเนี่ยท่านก็แสดงธรรมทันทีเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่หลวงพ่อมาเนี่ยอาการขาสมนึกเนี่ยแทนที่จะดีขึ้นกับซุดหนักลงไปอีกสมนึกอาการสุดลงเรื่อยๆพ ย, ยายามจะโบกไม้โบกมือเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่หลวงพ่อท่านก็บอกไม่ต้องพูดท่านก็แสดงธรรมต่อไปอีก สมนึกอาการก็หนักขึ้นอีกจึงรวบรวมเรี่ยวแรงเพื่อสุดท้ายเนี่ยขอกระดาษและปากกาเพื่อเขียนข้อความสั่งเสียหลังจากเขียนข้อความเสร็จแล้วสมนึกก็สิ้นลมข้อความในกระดาษหลวงพ่อเก็บใส่ย่ามตั้งใจว่าจะไปอ่านที่งานศพของสมึกเพื่อเป็นการให้เกียรติคนตายงานศพของสมึก ก็จัดซะใหญ่โตมีผู้คนมาร่วมมากมายขั้นถึงเวลาสมควรหลวงพ่อซึ่งยังไม่ได้ดูกระดาษเลยว่าเขียนว่าอะไรก็ประกาศชื่นชมสมนึกว่าเป็นเป็นคนดีเป็นห่วงญาติก่อนตายยาอุตสาห์ก่อนตายาาตายังเขียนข้อความสั่งลาแล้วค่อยๆ อ, อ่านข้อความนันด้วยเสียงอันดังถอยออกไปอย่าเหยียบสายออกซิเจนผู้คนในงานเลย อ, อึ้งกันหมดเลย คือหลวงพ่อท่านเข้ามาแสดงธรรมใหสมนึกวังเนี่ยท่านเผือไปเหยียบใส่ออกซิเจนแล้วตัวท่านก็ไม่รู้ทําให้สมนึกเนี่ยปกติก็ซุดอยู่แล้วอาการก็เลยซุดหนักขึ้นไปอีกเพราะไม่มีอากาศหล่อเลี้ยงที่เพียงพอพยายามจะโบกไว้บมือบอย ห, หลวงพ่อถอยออกไปหลวงพ่อก็ไม่ฟังตั้งหน้าตาเทศต่อไปถ้าหลวงพ่อเนี่ยฟังสมนึกบ้างนะสมนึกอาจจะไม่ตายเลยแบบนี้ก็ได้การแสดงธรรมไม่ไม่ย่ำเป็นจะต้อง พูดธรรมะเสมอไปบางครั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นการแสดงธรรมเหมือนกันเวลาคนมีปัญหาชีวิตมาระบายถ้าเรารับฟังเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะปวดเบื้องสิ่งข้างขาใจทําให้สบายใจมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปก็ได้คนทั่วไปชอบแสดงธรรมมากกว่าชอบพูดมากกว่ายิ่งพลาสายหลวงพ่อเทียนด้วยแล้วบักชอบแสดงธรรมอย่างตัวตัวผู้พูดเองเนี่ยมียประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะถูกคนอื่นแสดงธรรมให้ฟังหรือแสดงธรรมเอง จะเข้าใจเรื่องนี้ดีถ้าคนติดอารมณ์เนี่ยจะอยากพูดอยากแสดงคือมองออกไปนอกตัวช่วงติดอารมณ์เนี่ยจะเห็นต้นไม้ก็ไม่เป็นต้นไม้เห็นภูเขาก็ไม่เป็นภูเขาคื อ, อโล่งความคิดปงแต่งแล้วคิดว่าเป็นจริงเป็นจังใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วก็มีเมตตาอยากช่วยคนอื่นให้ค้นทุกข์แต่ตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ถูกความคิดบัลลอกงั้นเราก็ต้องระวังเรื่องนี้อีกเรื่องหนึง่งลุงมีอายุมากแล้วแกเป็นโรคหัวใจลูกหลาน ก็นำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีหมอดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลุงมีได้ซื้อลอตเตอรีร่ไว้ลูกหลานได้ตรวจผลปรากฏว่าถูกวันที่หนึ่งได้เงนสิบสอล้านพวกหลานๆจะบอกลุงมีได้ตรงก็ไม่ได้กลัวแกหัวใจวายช็อกตายจึงไปปรึกษาหมอที่ดูแลลุงมีอยู่เพื่อใ ห, หมอเนี่ยหาวิธีพูดให้ลุงมีไม่หัวใจวายหมอก็รับปากบอกจะจัดให้คราโอกาสเหมาะหมอก็พูดน้มน้าว ชักชวลุงมีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จนมาถึงเรื่องถูกหวยไปหมอถามขึ้นว่าถ้าลุงเนี่ยถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้กัน12ล้านเนี่ยลุงจะเอาเงินไปทําอะไรลุงมี ก, ก็อึง้งคิดอยู่ก็คู่หนึ่งก็ตอบออกมาว่าตัวลุงเนี่ยก็แก่มากแล้วคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานลุงก็จะเอาเงินเนี่ยแบ่งให้ลูกหลานรวมทั้งลุงด้วยน่ยส่วนหนึ่งสักหกล้านเหลื อ, ออีกครึ่งหนึ่งก็จะยกให้หมอแหละ พอหมอดูแลลุงอย่างดีเพื่อให้หมอไปทําประโยชน์หมอพอได้ยินว่าลุงมีใจะให้เงินหกล้านหมอก็เป็นลมช็อกไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ขาดใจตายเพราะหมอเองก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราสอนคนอื่นแต่เราก็ลืมมองตัวเราเองอย่างเช่นหมอคนนี้เป็นต้นลืมตัวลืมว่าตัวเองก็เป็นโรคหัวใจคนทั่วไปเห็นคนอยู่ทาผิดมันก็สอนได้แต่ว่าสอนตัวเองอะ่ะมันก็สอนไม่ค่อยได้เช่นผู้ใหญ่ กินเหล้าดูบุหรี่พอเห็นเด็กเด็กกินเหล้าหรือดูบุหรี่ว่าบ้างก็เข้าไปว่าเด็กว่ากินเหล้าเนี่ยไม่ดีนะทําให้ตับแข็งได้ทําให้สติสัมปชัญญะไม่ดีความจําเสื่อมหรือหลงลืมตัวได้หรือดูบุหรี่เป็นโรคถุงลมโป่งได้แต่ตัวเองมักทําไม่ได้เด็กก็ไม่เชื่อถือเพราะเพ่อบอกว่าผู้ใหญ่ก็ทําไม่ได้ในเรื่องสารขันเนี่ยอัตมาชอบเรื่องนี้มากที่สุดเลยมีชายคนหนึ่ง มีปัญหาเรื่องแก๊สในกระเพาะมากคือแก่ผายลมทั้งวันจนรู้สึกว่าน่าลำคาญจึงมาปรึกษามหมอโดยพูดกับหมอว่าหมอผมเนี่ยผายลมวันหนึ่งหลายสิบรอบแต่ก็ไม่ได้รบกวนใครนะเพราะไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งกลิ่นแต่ก็น่าลำคาญจึงมาให้หมอเนี่ย ช่วหาวิธีรักษาให้ผมด้วยครับหมอก็ทําสีหน้ายากเทียอธิบายใช้ยผู้นี้ก็ผายลมขึ้นมาอีกแล้วก็พูดกับหมอว่าเห็นไหมหมอผมเนี่ยตดไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นแค่หน้าลาคาเท่านั้นเองหมอก็อทําหน้ายากเทียอธิบายสักพักหนึ่งหมอก็หยิบยามาให้ แล้วก็ส่งให้ชายคนนี้แล้วบอกว่าคุณทานยาของหมอให้หมดหมดขวดนะแล้ว ก, กลับมาหาหมอใหม่อาทิตย์นึงผ่านไปชายคนนี้ก็มาหาหมออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพูดด้วยเสียงดังกับหมอว่าหมอเอาอยาอะไรให้ผมทานเนี่ยเมื่อก่อนผมตดไม่เคยเหม็นคือไม่มีกลิ่นตอนนี้เนี่ยเหม็นมากไม่รู้หมอยาอะไรให้ผมหมอก็ยิ้ม แล้วก็พูดจากอารมณ์ดีว่าการรักษาของหมอเนี่ยได้ผลไปขึ้นหนึ่งแล้วคือรักษาการรับรู้เรื่องกลิ่นต่อไปจะต้องรักษาการรับรู้เรื่องเสียงต่อไปชายคนนี้ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวปัญหาแต่ก็มองไม่เห็นปัญหาคืออยู่ออกับความเคยชินเดิมๆอย่างคนที่อยู่กับสิ่งเหม็นๆไม่ว่าจะเป็นพนัก ง, งาน เก็บขยะพนัก ง, งานดูดซ่วมหรือเจ้าหน้าที่ที่โรงพันตำรวจที่อยู่ในห้องชันสูตรศพศพเนี่ยนอนบนเตียงมากมายหลายศพอัตมาเคยไปเห็นนะเขาก็กินอาหารกันอยู่แถวๆนั่นแหละโดยที่เขาแบบเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหม็นศพหรือรังเกียจแต่อย่างใดคือเคยชินลหลวงพ่อพุทธทาสได้แต่งกอไปก่อนหนึ่งหมูนกจ้อง มองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝุงปาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไสเดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลกต้องทุกโศกหุดหยิดอยู่เป็ น, นิจสินส่วนชาวพุทธประยุคธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยคนทั่วไปก็เป็นแบบก่อนที่หลมพ่อพุทธแต่ง อ, อยู่กับฟารมเคยชินเดิมๆจะคล้ายกับนทิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเทวดากับหนอนเทวดาวันหนึ่งก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนตายไปก็ไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซุ้มของวัดแห่งหนึ่งเป็นซุ้มโบราณเทวดาจึงไปปรากฏกายที่ซุม้มเห็นเพื่อนจําไม่ได้จึงใช้ฤทธิ์ ท, ทาให้ฟาร์มจําของหนอนน่ยกลับคืนมา หนอนจึงจำเพื่อนได้หนอนก็ร้องถามเป็นไงเพื่อนไม่เห็นกันเสียนานสบายดีหรอือเทวดาก็ตอบว่าเออสบายดีเพื่อนหนอนถามแล้วแกไปอยู่ที่ไหนมาวะเทวดาบอกว่าไปอยู่สวรรค์วะ่ะรู้ไหมขณะนี้การเป็นเทวดาแล้วหนอนก็ถามอา้าวเป็นเทวดาแล้วที่แกจะไปไหนต่อละ่ะเทวดาก็ตอบว่าก็ลงมาหาแกนี่แหละเห็นแกลําบากจึงลึกอยากชวนไปอยู่ด้วยกวันบนสวรรค์ นนสวรรค์ของแกดียังไงวะถือได้อุตส่าห์ลงมาชวนนอนถามด้วยความสงสัยเทวดาก็บอกว่าบนสวรรค์ที่เราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสวยงามไปหมดงานการก็ไม่ต้องทำมีนางฟ้าสวยๆมากมายไว้ชื่นชมและเสพสุขและอยากกินอะไรก็แค่นึกเอาทุกอย่างก็ลอยมาตามใจใเราคิดเสมอเมื่อได้ยินดังนั้นนนถึงกับร้องโห่โถ่ กันอสงสารแกไม่ได้เลยวะเพิ่งรู้จริงๆว่าแกไปมีชีวิตลำบากวันนี้เองเพื่อนเ อ, อ๋ยเอางี้ก็แล้วกันลงมาอยู่ด้วยกันกับเราดีกว่ายังมงมีที่ว่างอยู่บ้างกันพอจะช่วยเหลือแกได้หนอนเป็นฝ่ายชวนเทวดาให้มาลงให้มาอยู่ในส่วมบ้างฝ่ายเทวดาก็ร้องว่าเอาเฮ้ยส้วมของแกดีอย่างไรหรือเทวดาก็าสงสัยเหมือนกันหนอนตอบว่าโอ้ดีกว่าสวรานของแกหลายเท่านะัก การมีหนอนตัวมีเสืสวยคอยเอาใจอย่างมากมายบนสวรรค์ถ้าแกจะกินอะไรจะต้องนึกแบบนั้นเสียเวลาแต่ที่บอ่อสว้ของข้าเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานึกเลยเพียงแค่ลืมตาอ้าปากก็ได้กินแล้วเพราะทุกวันนี้ทั้งพระทั้งเนนใครต่อใครต่างหมุนเวียนจัดเวรเอาอาหารมาส่งถึงที่จะเหลือเฟือพวกเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยหนอนพูดอย่างภาคภูมิใจเทวาดาบอกว่ากันเสียใจจริงๆเพื่อนเอ๋ย ที่ไมสามารถลงไปอยู่ร่วมกับแกได้ขอให้เพื่อนจงมีความสุขกําหนอนตัวเมียและอาหารอันโอชาของแกต่อไปก็ล้การกลาละวาลาเทวดาก็กลับสวรรค์ต่อก็บอกโชคดีเพื่อนเช่นเดียวกันขอให้แกมีความสุขกับนางฟ้าและหารทิพย์อะไรของแกนั้นเถิดต่างคนต่างสุขสบายแล้วทางให้ทางมันแล้วกันเพื่อนทิธาเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเทวดาเนี่ยเหมือนคนที่ตกในบ่อคูด แล้วหลังจากได้รับการอาบน้ำชำระล้ลางตัวสะอาดแล้วเนี่ยก็จะรังเกียดไม่ยอมตกลงไปอีกคือเหมือนคนที่อยู่ในที่ที่ดีแล้วอ่ะเคยอยู่ที่ไม่ดีมาก่อนคือรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ามันก็จะไม่ไปอยู่ที่เดิ ม, ดมแล้วเหมือนคนอยู่ในสลัมแล้วมาอยู่บ้านสถานที่ใหม่ก็จะไม่ไปสลัมพฤติกรรมของหนอนก็คล้ายกับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนิสัยคือคุ้นเคยกับสิ่งเดิมๆ เมืเ่อยวพัฒนาสังคมของเราทุกวันนี้ก็มีคนคิดแบบหนอนา่าหนอนในบ่อส้วมนิทานธรมมเนี่ ย, าายสามารถนำมาเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบได้ดีบางครั้งท้ า, าพูดธรรมะโดยไม่มีเรื่องประกอบเนี่ยเอาแต่วิชาการล้วนๆเนี่ยก็จะทำให้โยมเนี่ยไปตั้งใจฟัง อาจจะง่วงเบื่อหรือเซ็งก็ได้มีหลวงตาคนหนึ่งเพิ่งจะมารับตําแหน่งเจ้าวาดคนใหม่ที่วัดในชนบทแห่งหนึ่งเพราะเจ้าวาดคนเก่าเพิ่งจะตายไปที่วัดแห่งนี้คันถึงวันพระเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมารักษาศีลมาฟังธรรมทุกครั้งหลวงตาขึ้นธรรมาสแสงธรรมให้ญาติโยมฟัง แต่ด้วยความที่หลวงตาพุทธมไม่เป็นจึงพูดแบบวกไปวนมาหาที่ลงไม่ได้คือไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคนฟังก็ชักจะเริ่มเบื่อบางคนก็ฟังแบบขอไปทีบางคนก็ฟังไปหลับไปส่วนใหญ่จะหลับบวชพระครั้งแรกผ่านไปสารหลวงตาครั้งที่สอง หลวงตาก็พูดเหมือนเดิมชาวบ้านที่มาฟังทมก็หลับสบายหลับมากขึ้นแล้วมาวันพากที่สามครั้งนี้ชาวบ้านพวกมัคคายกอะชักปวดฟ้าปดทนนละเพราะรู้สึกว่าหลวงตาเนี่ยชักมาในเรื่องพุทธมาแย่ทำให้ญาติโยมเนี่ยหลับกันเป็นแถวมัคคายกจึงเข้าไปพูดเชิงต่อว่าหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยเยทศม่เรื่องเลยทาให้คนเนี่ย พากันหลับเบื่อเซง็งหลงตาได้ยินดังนั้นก็นิ่งเงียบไปตั้งพักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าโยมเนี่ยไม่รู้จักของดีไม่เห็นคุณค่าของมันคนสมัยเนี่ยะทำงานเนี่ยเครียดบางคนเนี่ยต้องซื้อยานอนหลับมากินเพื่อให้หลับรู้หรือเปล่าค่าเทศทุกครั้งเนี่ยคนมาฟังธรรมเนี่ย หลับสบายไม่ต้องเสียเงินซื้อยาพวกเองยังว่าข้าเนี่ยเทศไม่ดีหรือเรื่องนี้ก็จบคือหลวงตาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมรับว่าตัวเองเทศไม่ดีกลับมองว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าทาประโยชน์เสียอีกทำให้ชาวบ้านหลับสบายไม่ต้องเสียตังซื้อยานอนหลับมากินบางครั้งการเข้าข้างกิเลตเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับคนบางคน ทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีแต่ถ้าทางธรรมะกลับไม่ดีเพราะถ้าเราข้อห้างกิเลสมากๆเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองได้เลยเมื่อวานเนี่ยที่จะไปสารพุทธมะเรื่องถามก่อนตัดสินเรื่องนี้ธรรมชอบนะเพราะสามารถเชื่อมโยงไปหาเรื่องต่างๆได้หลายเรื่องเลยอย่างมีนักบริหารหญิงคนหนึ่งรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแห่งหนึ่ง ขณะที่รออยู่เธอก็นั่งอ่านหนังสือก็มีชายหนุ่มมานัะข้างๆใช้หนุมนนหน่มก็หยิบขนมคุกกี้ออกจากถุงซึ่งวางอยู่ระหว่างคนทั้งสองแล้วกินมันทีละชิ้นเธอมองด้วยความโกรธและไม่พอใจเธอรู้สึกว่าชายหนุ่มคนเนี้เป็นขี้ขโมยทียย่ไร้ยางอายกําลังกินขนมคุกกี้ของเธอแบบไม่เกรงใจ จนเธอคิดใจว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้ดีมีการศึกษาแล้วเราก็จะด่าให้สาสมเลยทุกครั้งที่เธอหยิบกินหนึ่งชิ้นชายหนุ่มก็หยิบกินหนึ่งชิ้นทั้งสองเนี่ยส่งสายตามองกันจนคุกกี้เหลือชิ้นสุดท้ายเธอจึงหยุดและอยากรู้ว่าชายหนุ่มจะทำอย่างไรชายคนนั้นค่อยๆหยิบขนมคุกกี้ชิ้นสุดท้ายและหักออกเป็นสองชิ้น ส่งให้เธอครึ่งชิ้นแลกกินเองครึ่งชิ้นเธอรับจากชายหนุ่มอย่างรวดเร็วและคิดในใจว่าแย่เ yeah, ป็นคนที่ไ like ร้มารยาทสุดๆคนไร้การศึกษาไม่มีแม้แต่ขอบคุณสักคำแล้วเธอก็ขึ้นเครื่องบินโดยไม่ยอมเหลียวกลับมามองหัวขโมยผู้ไร้มารยาทซึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิมหลังจากขึ้นเครื่องบินและนั่งประจำที่อย่างสบายใจเธอก็หยิบหนังสือ ข, ข, ขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่หยิบหนังสือจากกระเป๋าก็พบว่ามีขนมคุกกี้อยู่หนึ่งห่อตอนนี้เธอตกใจมากถ้าคุกกี้ของเธอยังอยู่ที่นี่ก็แปลว่าคุกกี้ห่อนั้นเป็นของชายหนุ่มที่แบ่งให้เธอกินเธอรีบวิ่งออกจากเครื่องบินไปยังที่นั่งของชายหนุ่มแต่สายใช้แล้วที่นั่งหรือดีวกว่าว่างเปล่าคือเธอคิดจะไปขอโทษ ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเพราะเธอนั่นเองที่ไร้เมตญาตเป็นหัวขโมยที่ไร้การศึกษาตัวจริงเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดว่าบางครั้งเนี่ยคนเรามากักจะโทษคนอื่นหรือโยนความผิดให้คนอื่นหรือบองคนอื่นคือปัญหาแต่ถ้าเรามองแบบไม่เข้าข้างตัวเองบางครั้งเราเองนั่นแหละคือคนผิดหรือเป็นตัวปัญหาเะเองอย่างผู้หญิงคนนี้เป็นต้นเธอคิดตัวเองเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยทําให้ดูเหมือนว่าชายหนุ่มเนี่ยขโมยคุกกี้ของเธอกิน พราคู่กี่เหมือนกันมากแต่อเผอิญกลายเป็นของเธอยังอยู่ไงกลายเป็นเธอเนี่ยเป็นฝ่ายไปกินของของเขาแล้วยังว่าเขาอีกโลกนี้ก็มีคนเข้าใจกันผิดมากมายเพราะการไม่ถามนี่แหละนิทานอีกเรื่องหนึ่งเศรษฐีมีลูกเขยอยู่สองคนเขยใหญ่เขยเล็กวันหนึ่งเศรษฐีจยากทดสอบไอคของเขยทั้งสองว่าใครฉลาดกว่ากันจึงชวนทั้งคู่เนี่ย พาเรือเล่นในลําคลองแถวแถวบ้านตามชานนุดระบบทะคงมีคลองเยอะระหว่างที่ภายเรือไประหว่างที่เรือภายกับลองแล่นไปเศรษฐีก็เห็นฝูงเป็ดลอยน้ําจึงถามลูกเขยทั้งสองว่าเคยใหญ่เอ็งว่าพ่ออะไรเนี่ยเป็ดถึงลอยน้ําได้เคยใหญ่ตอบว่าเพราะมันมีขนข้าพ่ออา้าวแล้วเคยเล็กว่าไงธรรมดาข้าพ่อ เศรษฐีฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเหลือก็เล่นไปอย่ากให้ช้าไปเรื่อยๆจนถึงกอไผ่แห่งหนึง่งข้างคองที่ใต้กอไผ่ก็มีหน่อไม้แทงขึ้นมาไส้หน่อดูน่ากินเศรษฐีก็ถามลูกเขย อ, อีกเขยใหญ่ทําไมหน่อไม้ถึงแทงทะลุดินขึ้นมาได้เขยใหญ่ตอบว่าพอยอด แ, แหลงเขาพ่อ อาแล้วเคยเล็กว่าไงธรรมชาติก็พ่อเศรษฐีเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบใจคำตอบของเคยเล็กเท่าไหร่แต่ก็ไม่ว่ากันนั่งเรือสักพักหนึ่งก็ไปเจอฝูหานแถวริมตลิ่งอกำลังร้องเสียงดังเศรษฐีพูดพ่อตาก็ถามเหมือนเดิมแหละเคยใหญ่เองว่าพ่ออะไรจรึงไม่เห็นให้หานเนี่ยร้องเสียงดัง ขยใหญ่ตอบว่าพ่อห่านคอบรญญาเขาพ่อเอาแล้วเขยเรียกว่าไงธรรมดาเขาพ่อเศรษฐีก็นิ่เงียบไม่ว่าอะไรแล้วจะกพายเรือจนเหนื่อยคับได้เวลาสมควรก็ขึ้นบกเดินกลับบ้านเศรษฐีสังเกตมีงูอยู่ตัวหนึ่งตัวมันเลื่อมไปหมดเลื้อยเข้าลูจึงถามลูกเขยเหมือนเดิมเขยใหญ่อิงว่าทําไมงูมันถึง มันเลื่อมอย่างนั้นเขยใหญ่ก็ตอบว่าพราะมันเลือ้อยเข้าลูเลื้อยออกบ่อยครับพ่อตัวมันถึงเลื่อมอา้าวแล้วเขยเล็กว่าไงโอมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับพ่อคันถึงบ้านพ่อตาเนี่ยแทงใจในคําตอบของเขยเล็กจึงเรียกมาคุยด้วยให้เขยเล็กค้าถามเขยใหญ่ว่าทําไมเป็ดมันถึงลอยน้ําได้มันตอบว่า เพราะมันมีขนเอ็งตอบว่าธรรมดาไหนมันเป็นยังไงลองเ่าใฟังดิธรรมดาของเอ็งอะ่ะโถรพ่อกอง ข, ขี้แห้งเนี่ยมันก็ลอยน้ําได้ไม่เห็นมันต้องมีขนเลยพ่อตาก็ยังไม่ค่อยพอจะคําตอบเท่าไหร่นักเดี๋ยวพูดต่อว่าค่าถามถึงหน่อไม้ว่าทำไมาถึงแทงทุ้ดินขึ้นมาได้เขอใหญ่มันตอบว่าเพ่อยอดเป็นแหลม ส่วนเองก็ตอบว่าธรรมชาติอธิบายทีมันเป็นธรรมชาติจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นยอดแหลมเสมอไปพ่อสังเกตเห็นเห็ดไหมเห็ดเนี่ยหัวเป็นทู่มันก็ทะลุดลินได้เหมือนกันพ่อตาก็เออจริงของมันฮะอ้าวแล้วห่านะ่ะเขยใหญ่ไม่บอกว่าที่ร้องเสียงดังเพราะคอบรรยาวเองว่าเป็นเรื่องธรรมดาลองที่บายโถ่พ่อ มันเป็นเรื่องธรรมชาตจริงๆพอสังเกตอึิงอ่างไหมย อ, อ่างเนี่ยคอสั้นนิดเดียวร้องเสียงยังดังกว่าห่านด้วยซ้ำไปพ่อตาเริ่มพอจะคำตอบของเขยเล็กแล้วก็ถามต่อเกี่ยวงูไอ้เขยใหญ่มันบอกว่างูตัวมันเลื่อมเพราะมันเลื้อยเข้าเลื้อยออกเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอธิบายที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆพอ่อพ่อสังเกตไหม หัวของพ่อเนี่ยก็มันเลื่อมโดยไม่ต้องเ ข, เข้าออกที่ไหนเลยเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติกับพ่อเรื่องนี้ก็จบตัวใครตัวมันเพราะว่าเคยเล็กมาลามปามเถึงหัวพ่อตาแต่เรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะตรงที่ว่าเคยใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลแต่เคยเล็กเนี่ยเป็นคนมองโลกแบบไม่เอาเหตุเอาผลไ่ควาคิดขเขยเล็กจะไม่ค่อยทุกข์อะไร อะไรเกิดขึ้นก็เช่นนั้นเองมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นเองเรื่องทุกข์ใจประจำวันจึงน้อยนะคิดว่าเคยเล็กเมื่อก่อนมีคนแก่คณะหนึ่งหลวงพ่อพุทธทาตที่สวนโมกหลวงพ่อพุทธธาตก็บรรยายทําให้ฟังธรรมะสําหรับคนชาราหลวงพ่อพุทธทาตท่านพูดแต่เรื่องเช่นั้นเองตลอดเทมมอ น, นั้นน่ยอะไรอะรก็เช่นนั้นเองแต่เข้าไม่รู้ว่าคนแก่คณะนั้นจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่า แต่ถ้ารู้เรื่องชีวิตก็จะปล่อยวางได้มากเพราะเช่นั้นเองก็ตีความหมายมาจากการไม่ยึดมั่นถือมัน่นการปล่อยวางนั่นเองสัพเพธรรมานาลังอภิญิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นวันนี้ที่วัดป่าสุกโตก็เป็นวันกนรรมกรสามัคคีอนมาก็จะท่องกรของหลวงพ่อุฒธาตเพื่อให้กาลังใจพระแม่ชีญาติโยม ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทํางานในวันกรรมกรสบุคีอันมาก็จะท้องกรน้ํามนแท้นั้นคือเหงือ่อเหงื่อนั่นแหละคือน้ำมนตให้ผลเลิศนําให้เกิดสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลน้ํามนลดลดเท่าไหร่ไม่ช่วยคนจนกว่าตนจะมีเหงือ่อเมื่อทําจริงจงรักเหงเื่อเชื่อมั่นบากบันเถิดหน้าที่เกิดสมบุรณดีมีผลยิ่ง เป็นพระเจ้ามาช่วยเราอย่าประวิงจะเป็นมิ่งขวัญแท้แก่ทุกคนพระพุทธองค์ทรงเคารพซึ่งหน้าที่ดูให้ดีเหงือออกมามหาผลใช้บูชาพระพุทธองค์มิ่งมงคลสาธุชนมีสุขเหลือพ่อเหงื่อเอ๋ยก็ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่อิีธรรมทุกท่านเอวัง